ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้คุณต้องมีสเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปใหถึงปลายทางแล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานคุณจะใช้อะไรเป็นสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้นหาคำตอบได้ที่นี่กับคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยคุณดังตรินติดตามดาวโหลดเสียงอ่านและอ่านหนังสือของคุณดังตรินได้ฟรีที่ dangtrin.com d u n g t r i n com เชิญรับฟังกันได้เลยครับ